เมื่อมีผู้ใดประกาศตัวเองแสดงความเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะประทานความเห็นชอบจะส่งสอบสวนก่อนว่าศรัท ธ, ธาภาษาถะของเขามีเหตุผลเป็นมูลฐานหรือไม่เช่นครั้งหนึ่งในมหาปรินิพานสูตรทีคณิกายมหาวัชพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลแสดงความเลื่อมใสและพระพุทธเจ้าตรัสตอบ ดังต่อไปนี้พระสารีบุตรกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ว่าสมณะก็ดีพราหมณ์ก็ดีอื่นใดที่จะมีความรู้ยิ่งไปกว่าพระผู้มีพระภาคในทางสัมโพธิญาณได้นั้นไม่เคยมีจยากไม่มีและไม่มีอยู่ในบัดนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าสารีบุตร เธอกล่าวอาศสพิวาจากล่าววาจาอานหารครั้งนี้ยิ่งใหญ่นักเธอบรื้อศีหานาถถือเด็ดขาดลงไปอย่างเดียวว่าดังนี้นั้นเธอได้ใช้จิตกำหนดรู้จิตของพระอารานตสำ ม, มาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นมีศีลอย่างนี้เพราะเหตุ ด, ดังนี้ดังนี้ทรงมีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้ มีทำเครื่องอยู่อย่างนี้หลุดพ้นแล้วเพราะเหตุนี้เพราะเหตุนี้พระสารีบุตรกราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเธอได้ใช้จิตกันหนดรู้จิตของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ที่จักมีในอนาคตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจักเป็นอย่างนี้เพราะเหตุ ด, ดังนี้ดังนี้พระสารีบุตร กราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าก็แล้วเราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้เธอได้ใช้จิตกาหนดรู้จิตแล้วหรือว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นอย่างนี้เพราะเหตุดังนี้ดังนี้พระสารีบุตรกราบทูลว่ามิใช่อย่างนั้นพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสถามว่า ก็ในเรื่องนี้เมื่อเธอไม่มีญาณเพื่อกำหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเช่นนี้แล้วฉชไหนเล่าเธอจึงได้กล่าวอาสพิวาจาอันยิ่งใหญ่นักนี้บรรลือสีหนาถถือเป็นเด็ดขาดอย่างเดียวดังที่กล่าวมาแล้วพระสารีบุตรกราทูนว่าพระองค้จเจริญ ข้าพระองค์ไม่มีญาณกำหนดรู้จิตในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันก็จริงแต่คระนั้นข้าพระองค์ทราบการอย่างแนวธรรมพระองค์ผู้เจริญเปรียบเหมือนเมืองชายแดนของพระราชามีป้อมแน่นหนามีกำแพงและเชิงเผินมั่นคงมีประตูประตูเดียวคนเฝ้าประตูพระนคร น, นั้นเป็นบัณฑิต เฉียบแหลมมีปัญญาคอยห้ามคนที่ตนไม่รู้จักยอมให้แต่คนที่รู้จักเข้าไปเขาเที่ยวตรวจดูทางแนวกำแพงรอบเมืองนั้นไม่เห็นรอยต่อหรือช่องกำแพงแม้เพียงที่แมวลอดออกได้ย่อมคิดว่าสัตว์ตัวโตทุกอย่างทุกตัวจะเข้าออกเมืองนี้จะต้องเข้าออกทางประตูนี้เท่านั้นชันใดข้าพระองค์ก็ทราบการอย่างแนวธรรม ฉันนั้นเหมือนกันว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เท่าที่มีมาแล้วในอดีตทรงละนิวรณ์หที่ทำจิตให้เศร้าหมองทำปัญญาให้อ่อนกำลังได้แล้วมีพระหาเือไทยตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน 4. สทรงจเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ แม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะมีในอนาคตก็จกักทรงทาอย่างนั้นแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ทรงละนิวรห้มีพระไัยตั้งมั่นในสติปัฏฐาน 4, ส่ทรงเจริญโพชฌงเจ็ดตามเป็นจริงจึงได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเช่นเดียวกัน